อดทนต่อการทุกทรมานที่เกิดกับตัวนี่เป็นเรื่องของโรคศิษท ต, ตั้งสองอ้นที่มรณภาพไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้มาวล า, าเรื่องของโวคปานเวลาที่เป็ป่วยอยู่เวลานั้นก็ปรากฏว่าบรรดารูกศิษย์รู้หาผู้มีความหวังดีต่างหาหมอกันมาหายากันมาด้วยบระการต่าง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 ดังในยังได้ยินเสียงปุบปุนแสดงว่าแก๊สมันดังส ม, มมามากอาการหายใจก็มีความลาบากรู้สึกมันเหนื่อยและที่เวลาที่ท่านพูดกับบรรดาท่านพุทตบ ร, ริษัทที่มาเยี่ยมและพวกเราก็ตามทลานพ่อไม่เคยสแสดงาการว่ามีทุกขเวทนาใดๆเลยนี่เป็นการสแสดงออกว่าท่านมีขันติมาก และสังขารปเปกคายายของท่านชัดเจนแจ่มใสเป็นอนุว่าเรื่องความตายความป่วยเป็นของธรรมดาคือนวันสุดท้ายที่ท่านจะอยู่ที่วัดวันรุ่งขึ้นเขาจยนําไปจังหวัดพระนครคือกรุงเทพในก่อนหน้านี้ขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งด้วยความหวังดีของลูกศิษย์บรรดาท่านพุ้บริษัทถ้าเขาเห็นว่าท่านช่วยข้าวไม่ได้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 และก็มีอุปนิสัยจะเข้าถึงพระนิพพานกันได้โดยไม่ยากพ่อจึงได้พาไปฝากให้เรียนจากสังฆอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ความจริงผู้เราก็ทราบกันอยู่แล้วเมื่อเวลาที่ท่านอยู่ท่านจะไม่เรียกพระอาหารหันต์เฉยๆท่านบอกว่าพระองค์นั้นมีอนิสมีนิสัยหรือมีอุปนิสัยเหมือนพระอาหารหันต์ พระองค์นี้มีจริยาเหมือนพระอระหันต์แต่ว่าเวลานี้ท่านกำลังใกลยย้จะตายท่านก็ทิ้งท้ายบอกว่าพระที่พ่อพาไปเป็นพระอระหันต์ทั้งนั้นแล้วในเมื่อพระอระหันต์คนต้องการเป็นพระอระหันต์ก็ต้องเรียนกับพระอระหันต์ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ใช่พระอระหันต์จะสอนลูกศิษย์ษให้เป็นพระอระหันต์ไม่ได้ เพราะภูมิแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกับหลักทฤษฎีคือหลักวิชาตามดาัมราการปฏิบัติจริงมีหลายสิ่งที่พลิกแปลงไม่เหมือนดัมรามีอยู่มากฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใจคําสอนพระองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่าจ่าจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงอย่างน้อยก็ที่ทิศยุคยานเบื้องสูงไม่ใช่ทิศยุคญานเบื้องตำ่ำ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 นี่ถ้าได้ทิพยคุยานเบื้องสูงอย่างนี้ทุกคนจะค้นคว้าศาสนาขาององคสมเด็จพระชินศสีได้ดีแต่ว่าเรื่องของนิพพานก็ยังเข้าใจไม่ได้จะเข้าใจได้ต็เมื่อจิตเข้าสู่โพตรคุยานแล้วตอนนี้จะมีความเข้าใจในคำสอนข้าองสมเด็จพระบาททิพแก้วได้ดีท่านพูดแล้วก็นิ่งข้ายันเลย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 จงจำคำของพ่อไว้ว่าเราจะให้อภัยแกบุคคลผู้ผิดแล้วท่านก็นหาหันไปหาเพื่อนน้องสองว่าเจ้าทั้งสองที่เป็นมิจฉานี่สามค น, คนคนหนึ่งต้องเป็นนี่ชาวบ้านต้องอยู่กับชาวบ้านเวลานี่ผูกทราบว่าลิงดำคิดว่าพ่อตายแล้วจะเข้าป่ า, มาเมื่อเผาวพ่อแล้วไปไม่ได้นะลูกนะ